เราก็ดีก็เล่เ ล, เล่นบ้างก็ได้เป็ น, นดูคืออริบทนี่ให้มันใหม่อยู่เสมอไม่ใช่จะมาสร้างจังหวะทั้งวันทั้งคืนแต่าบางทีแล้วเราทํานานๆบางที ม, มันจะพลาดมันจะไม่รู้ให้มันชัดวิธีปฏิบัติวิธีเจริญสติถ้ามันไม่ชัดรีบแก้ทันทีแก้ให้มันชัดเหมือนกับกรณีคนทวีเกียติกําลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยถ้าคนทวิเจียรทวีเจียติ ถ้ามันไม่ชัดคนตาเบี่ยจีดขืนถ่ายลงไปมันก็ได้ภาพที่ไม่ชัดมันไม่สวยงามแต่ถ้าคนตาเบี่ยจีดกาลังจะเล็งให้มันชัดจิตระเบิดถ่ายไปถ่ายไปมันก็งามมันก็สวยดีการเจริญสติก็เหมือนกันให้มันชัดมันมีมุมชัดอยู่ถ้ามุมไหนที่ไม่ชัดก็เรียกหามุมใหม่เอาไหมถ้าทำอย่างนี้มันไม่ชัดแล้วนะฟังจังหวะมันไม่ชัดแล้วนะอยู่ตัวขึ้นเอาไหม ให้มันชัดชัดรู้ไหมรู้หายใจเขายืนขึ้นเดินไปลองดูถ้าเดินมันชัดอยู่กับการเดินก็แล้ถ้าเดินมันเริ่มจะพลาดเราก็นั่งลงอ้อยขาเหยียดขาซอยขาขัดสมาธิได้ทั้งนั้นให้มันชัดชัดคือการกระทาของเราแบบการเคลื่อนไหวเพื่อให้มันเห็นชัดให้สติมันรู้เห็นชัดชัดไม่ใช่ทาเป็นวิธีการเฉยเพืให้มันชัดชัดขึ้นมา ท่านจะอยู่ที่ไหนล่ะท่านถ้ า, ม, ถ ม, า, ถ ม, นนามันชัดอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บนรถเมย์ก็ได้นั่งอยู่บนรถเมย์กำหนดนั่งกระดิกนิ้วทําใจชื่นบานอยู่เรื่อยๆรู้สึกรู้สึกมันชัดอยู่ที่ไหนได้ท่านนั้นอย่าเผลอช่วยโอกาสทันทีให้มันเกิดความเคยชินขึ้นมันดังการสร้างจังหวะแบบกายเคลื่อนไหวเพื่อมองให้มันชัด ถ้าเราเห็นชัดเลื่อยชัดเลื่อยชัดเลื่อยเรื่องมันก็ไม่ยากมันก็ง่ายขป้ น, นบางคนไปคลุมเครืออยู่กับอาการที่มันไม่ชัดสร้างจังหวะไปก็นั่งสับประโคไป ด, นไป ด, นไปดนันไปดังบางดีคู่นไปเหตจังทร์สัดนอนไปให่น้อเหตุจังทรีไปเห็นไปน้อสร้างไปพูดไปคุยไปมันไม่ชัดเมื่อใดมันไม่ชัดท่านก็จะเสียเวลาเสียนิสัยเป็นอุปาิสัยไปเลย ทำปอกเป็ดปอกเป็ดปอกเป็ดปอกเปดคุยกันเลยไม่เกิดประโยชน์เพราะอย่าไปคืนทำอย่าทำเล่นอย่าไปทำเล่นมันชัดชัดลงชัดลชัดลงนไม่ชัดหรือหนึ่งสองนับออกมาดูก็ได้เริ่มแรกก็บริกรรลองดูหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสหนึ่งสองสสหนึ่งสองสสแต่ว่าอย่าไปนับจนตลอดไปเมื่อมันรู้จังหวะดีก็วางอาการบริกรรมออกมากําหนดรูปลู่ไปรูไปให้มันชัดมันชัดมันชัด เพราะฉะนั้นบางคนเจ็ดวันเห็นรูปเห็นนามเข้าใจรูปธรรมนามบางคนเดือนบางคนปีพอไปฝืนอยู่กับความที่ไม่ชัดเลยเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็ด้านอะทีนี้ด้านเพราะฉะนั้นท่านเริ่มใครก็ตามเริ่มใหม่ตั้งแต่บัด น, นี้ถ้าไม่ชัดอย่าไปทำถ้ามันชัดสิบนาทีก็ยังดียี่สิบนาทีก็ยังดี ถ้ามันชัดนะถ้ามันไม่ชัดวันหนึ่งก็ไม่ดีปีหนึ่งก็ยังไม่ดีขอให้มันชัดยเรื่อยรู้สึกแล้วเลึกได้อยู่เรื่อยอันนี้หลวงพ่อขี้เนะไม่ได้มีตำราสอนสอนจากความรู้สึกของตนเอง <c oughs> ผิดก็รู้ถูกก็รู้สิ่งที่พูดนี้พูดจากสิ่งที่มันผิดเคยทํามาเคยผิดมาจนหอบนีไม่หมด สิ่งที่ทําให้ผิดก็เลยทําให้มันถูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่มีสูตรสําเร็จแน่นอนไม่ใช่แบบพุโทโธหรือไม่ใช่แบบจุบหนอพองหนอไม่ใช่แบบสัมมาระหังไม่ใช่แบบปานาปานาสติไม่ใช่แบบสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวแม้แต่ผู้ทําสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวไม่รู้อะไรก็ไม่ผู้ที่ทําสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหวรู้ไง่ายๆก็ไม่ มันอยู่ที่การกระทาของเรานะอันนี้หลวงพ่อพูดจากความรู้สึกเพราะว่าก็เคยเคยประสบมาเลยตนเองเคยผิดพลาดมาเคยถูกมาเพราะฉะนั้นเท่าที่พูดที่ขี้แนะนำวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ดีสนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็เห็นว่าสมควรเจเวลาอาราธายที่สุดนี้ก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราก็อำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงได้ประสบพบเห็นกับสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเราด้วยกันทุกๆคนเธอ